เอาบุญมาฝากแล้วคนรับฝากจะพลอยได้บุญไปกับเราจริงไหมเพื่อให้เข้าใจง่ายขอให้ลองคิดว่าถ้าอยู่ๆมีเพื่อนมาสั่งอะไรเช่นมาดีใจกับฉันหน่อยสิคุณคิดว่าคุณจะมีสีหน้าอย่างไรฉันใดก็ฉันนั้นหากมีใครพูดว่าฉันไปวัดมาเอาบุญมาฝากนะ ถ้าคุณเป็นคนชอบไปวัดหรือรู้ว่าผู้พูดเพิ่งไปวัดดีคุณคงเกิดความยินดีไปด้วยแต่ถ้าหากคุณไม่ได้ชอบไปวัดหรือรับฟังแต่ข่าวร้ายๆเกี่ยวกับพระคุณคงยิ้มทมแม่งทมแมงและแอบคิดทำนองว่าถูกต้มและยังมีหน้ามาอมยิ้มอีกอย่างมากถ้าคุณมีใจกลางๆไม่ได้รักไม่ได้เกลียดการไปวัด คุณอาจรู้สึกเฉยๆเข้นความดีใจไม่ออกต้องฝืนยิ้มแห้งๆหรือเก่งหน่อยก็ทำเป็นยิ้มสดชื่นเอาใจกลัวเขาจะหาว่าเป็นคนบาปบอกบุญไม่รับใจเขาใจเราถ้าคนฟังเป็นประเภทบอกบุญไม่รับนอกจากเขาจะไม่ได้บุญตามก็ยังอาจ บ, บาปเล็กบาปน้อยจากการคิดไม่ดีที่เหมือนถูกปีไปฝืนยิ้มฝืๆอีกด้วย แทนการเอาบุญของตัวเองมาโปรโยละอองบาปใส่ชาวบ้านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ขอให้ระลึกว่าคนฟังจะได้บุญจริงๆต่เมื่อมีประสบการณ์ใกล้เคียงกับคุณเราก็เป็นเงาตามคุณไปทำบุญด้วยหมายความว่าคุณจะพูดหุนๆนสั้นๆไม่ได้ต้องออกแรงออกเสียงเล่าไม่สั้นเกินไปและไม่ยาวเยินเย๋คัดเอาประสบการณ์ตรง ที่มีคำพูดดีๆพันานาความสุขได้ชัดเจนเช่นทำบุญนั้นบุญนี้แล้วจิตใสใจเบาเราวกับความรู้สึกตอนได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเงินเดือนขึ้นหรือหลวงปู่หลวงตาเทศจับใจประโยคไหนก็เอามาถ่ายทอดไม่ตกหล่นเป็นต้นสรุปง่ายๆถ้าอยากให้ใครได้อนิสงส์ไปกระ บ, บุญของคุณอย่าพูดสั้นๆง่ายๆว่าเอาบุญมาฝาก แต่จงพูดให้เขาเห็นภาพหรือบรรยายจนเขาเด็กลิ่นบุญมีจิตใจคล้อยตามยินดีปรีดาตามทำให้เขารู้สึกถึงขั้นที่ว่าอยู่ดีๆคุณก็เผื่อแผ่รสสุขมาให้เขาฟรีฟรีกระทั่งเกิดแรงบันดาลใจอยากร่วมทำบุญไปกับคุณด้วยนั่นลหละเอาบุญมาฝากของจริง